มันก็เกิดความอยากเกิดความต้องการจะกินขึ้นมาอีกก็ได้อืมอ๋อถ้าสมมติว่าไม่ต้องพ่อท่านบอกหรอกนะเราบอกตัวเราเองเนี่ยแหละว่าอ้าถ้าเราเลือกกินมังสวิรัตเนี่ยเราจะต้องไปกินเนื้อสัสตว์เนี่ยนะอย่างแรกที่สุดเลยที่เราจะกินคืออะไรฮะอย่างแรกที่สุดเลยที่เราจะกินคืออะไร ให้คิดอันนี้ให้คิด<า>ให้คิดให้คิดไม่ได้ให้ไปกิน <c oughs> ให้คิดเฉยๆก่อนมทดสอบดู <c oughs> ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยอยากที่สุดเราชอบที่สุดแล้วมันฝังใจเราที่สุดไอ้สิ่งนั้นแหละมันจะเกิดขึ้นมาในความคิดเราก่อน <c oughs> ซึ่งโดยโดยความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่มีขายในบริเวณนั้นเลยก็ได้เข้าใจไหม แต่ว่าสิ่งที่มันแรงที่สุดมันเป็นอุปทานเราหนาหนักที่สุดสิ่งนั่นแหละที่เป็นสักส ก, กรรยะเราที่เราเนี่ยนะพอสมมุติว่าเราเลิกบังสวิรัติเราจะไปกินเนื้อสัตว์ไอ้อสักรรยะเนี่ยจะมาก่อนเลยนี่เราพูดถึงความอยากนะไม่ได้พูดถึงความจริงว่าความจริงว่าคนนั้นจะไปได้กินอะไรก่อนเข้าใจไหม<า>เราพูดถึงความอยากเพื่อที่จะสารวจว่าใจเราเนี่ยมันติดอะไรที่สุด ไอสิ่งนั้นมันจะขึ้นมาในจิตเราก่อนจริงๆมันกินมันกินด้วยจิตก่อนแล้วก่อนที่จะไปกินของจริงด้วยซ้ําไปนะเพราะอันนี้เราจะต้องระวังเรื่องของอุปทานอุปทานเนี่ยตัวร้ายปฏิบัติธรรมทุกวันเนี้ยก็คือตัวล้างอุปทานนั่นเองนะอะไรนะ <c oughs> กรอนี้นึกไม่ออก <c oughs> อ, อก๋ อ, อกร อ, อ, ก อ, อกนี้นึกไม่ออกนะเดี๋ยวพาไปตลาดแป๊บเดียว รับรองแปบ๊บเดียวเนี่ยพาไปอะไรอะ่ะไอที่เขาขายของอะ่ะขายอาหารการกินไปไอซูปเปอร์มาร์เก็ตไปอะไรอะ่ะรับรองเลยแปบ๊บเดียวไม่ต้องนึกเลยอะ่ะไอที่นึกไม่ออกเนี่ยนะแปบ๊บเดียวไม่ต้องนึกเลยนะมันโอ้โหนะฮะ <laughs> ไม่ใช่หรอกบางทีเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันมันอยู่อย่างนี้มันอยู่ที่ เวลาด้วยที่คนนั้นเนี่ยพากออกมานั้นะอย่างแรกคือเรื่องของเวลาถ้าพากออกมานานเนี่ยอุปทานที่เราฝังเอาไว้มันก็ค่อนข้างจะลางเลือนเหมือนกันนะหรือว่ามันอยู่ลึกมันอยู่ลึกลงไปมันไม่ตื้นละมันอยู่ลึกลงไปนะ่าเรื่องของเวลาส่วนอย่างที่สองก็คือเรื่องของการละลางบางคนนี่ แม้ว่าจะผ่านช่วงเวลาสั้นๆก็ตามที่ฝึกปฏิบัติมาแต่คนนั้นมันมิปัสนาแล้วก็มันละล้างจริงๆะนัน อ, อุปทานคนนั้นน้อยลงมากในในธนองเดียวกันใครเนี่ยอาจจะเลิกกินเนื้อสัตว์มาเป็นสิบปียี่สิบปีก็ตามแต่คนนี้ไม่ค่อยลดไม่ค่อยล้างไอ้อุปทานกิเลสเพราะแม้อย่างนี้นะ มามากินเป็นนานแล้วเนี่ยนานปีแล้วก็ตามแต่บางทีให้นึกนี่โอ้โหเร็วกว่าคนที่เขาเลิกมาสิบวันก็ได้แต่สิบวันนี้เขาโอ้โหลดเขาล้างจริงๆเลยเพราะฉะนั้นสัญญามันแทบจะไ อ, ไอ้อุปทานเนี่ยมันแทบจะไม่ขึ้นเลยเพราะว่ามั น, ม, นมันล้างไปจนแบบว่ายิ่งถ้าล้างสิ้นเกลี้ยงอย่างเงี้ยไม่ยิ่งไม่ขึ้นใหญ่เลยถ้าล้างจนแบบเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะถ้าล้างแบบโอ้โหสิ้นเกลี้ยงเนี่ รับรองเลยคุณมันไม่ขึ้นเลยเอเพราะว่าอุปทานไม่เหลือแล้วอุปทานกิเลสมันไม่เหลือแต่บางทีบางคนเนี่ยสิบปียี่สิบปีแต่ไม่ได้ล้างน่ามันยังฝังอยู่มันยังกดเอาไว้ลึกๆอยู่ในใจแต่ที่กินมาได้เป็นสิบปียี่สิปีเพราะทั้งครอบครัวก็กิกนกันอยู่วัดเขาก็กินกันทั้งวัดสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อมนวยหรืออะไรต่างๆ มันก็เลยทําให้ไม่ได้ไปคิดถึงมันยิ่งไม่เห็นด้วยว่าไม่ได้ไปคิดถึงแต่ไม่ได้หมายความว่าคนนี้ลืมนะ ม, น ม, นมันฝังอยู่ในจิตมันถ้าตาบใดาไม่ขุดลากถอนโคงทิง้งโอกาสขึ้นมามีได้ทั้งนั้นทั้งสิน้นแล้วมันขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นเป็นอุปทานขึ้นมาให้อยากกินเลยนะไม่ใช่ขึ้นมาแบบเป็นแค่สัญญาเพราะบ า, บางคนเนี่ยเราล้างอุปทานไปได้สิ้นเกี้ยงและอุปทานกิเลสแต่มันขึ้นเป็นสัญญาได้เราก็ยังจําได้อยู่อ่ะ แต่จำได้โดยไม่มีกิเลสเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยตรงนี้สองนะความกระสับกระส่ายเช่นมีทรัพย์สินมากก็กลัวคนอื่นจะมีมากกว่านะอยากมีเหมือนกับเขาไปเสียทุกเรื่องหรือว่านั่งใกล้คนที่หล่อและสวยกว่าเรากระสับกระส่าย <c oughs> <c oughs> เออ ไอ้มีทรัพย์สินมากก็กลัวคนจะมีมากกว่าก็ชักกระสับกระสายอันนี้คงคงคงไม่ยากอะนะเพราะว่าไปเจอคนรวยกว่าใช่ไหมมันก็ชักเอ๊เขารวยกว่าเราอะ่ะใช่ไหมสมมุติไปไนั่งใกล้เขาคงก็รู้สึกหงุดหงิดนะหงุดหงิดแล้วนะรู้สึกว่ามันโดนข่มกันแนหะอืมหรือว่าอยากมีเหมือนกับเขาไปเสียทุกเรื่อง นะอันนี่ก็พอเข้าใจได้ง่ายๆ แ, แต่อันนี้ขำๆดีนะนั่งใกล้คนที่หรอแล้วสวยกว่าเราชักกระสับกระสายเพราะอะไรฮะเพราะอะไรไม่เคยรู้สึกเลยเหรอไปนั่งใกล้กับคนที่เขาหล่อกว่าเราเขาสวยกว่าเรารแล้วจะรู้สึกกระสับกระสายมันชักอยู่ไม่สุขละเอ้อ น, นพออะไรฮะน้อยเนื้อต่ำใจเปรียบเทียบกันแล้วแล้วรู้สึกว่า <c oughs> ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำไอ้ฟ้าต่ำไอ้เออฟ้าสูงแผ <c oughs> ่นดินต่ำถูกแลอรู้สึกอย่างนั้นเลยเอาละจะยังไงก็แล้วแต่นะ มันก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายแหะไม่พอใจนั่นเองไม่สมใจไม่ถูกใจอะไรอะไรก็ทุกเท่านั้นแหละถ้าใจมันอยากจะหนีใจมันไม่ยินดีไม่กล้าประจันมันก็เลยกังวลไปร้อยแปดันเก้าเป็น ป, ปริโพธะรุมล้อมเราอย่างน่าเบื่อหน่ายสําหรับผู้หมดกังวลหรือกังวลลดลง ด้วยความมีสติรู้เท่าทันในความเป็นไปของโลกรู้งานรู้หน้าที่ของตัวเองว่าเป็นชาวสวนแห่งสัจธรรมก็ชอบใช้สำนวนนะนะเป็นชาวสวนแห่งสัจธรรมที่มีหน้าที่เพาะปลูกผลไม้และขยันรดน้ำขยันพลวนดินเติมปุ๋ยและดูแลมันดูการเจริญเติบโตจนถึงจุดสุดท้าย ที่ต้นไม้ต้นนั้นจะพริดอกออกลูกอย่างใจเย็นอย่างเชื่อมัน่นด้วยตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่สมบูรณ์แล้วส่วนผลนั้นภาษาสแลงก็เห็นจะต้องว่าแล้วแต่พระเจ้าซึ่งเราจะต้องพยายามแยกหน้าที่ของใครก็ของมันให้เด่นชัดมิฉะนั้นเราก็จะเป็นผู้ล้มเหลวตลอดเวลาด้วยเหตุที่ไม่รู้จักงานจริงของเราสักที ในที่นี้อะไรคืองานจริงๆริงงานที่เราจะฆ่ากิเลสเราลดกิเลสเราส่วนงานอื่นก็ถือว่าเป็นงานนอกอองานลดกิเลสถือว่าเป็นงานในความเป็นผู้หมดกังวลหมดห่วงจะต้องเข่นฆ่าเจ้าจิตอสุรกายกันพอแรงและในใจของเขาควรจะต้องสํานึกในความเป็นนักรบที่กล้า ที่จะประจันกับปัญหาทุกสิ่งอย่างไม่พรั่นพร้อมกับเสียงร้องอยู่ในหัวใจว่าเป็นไรก็เป็นกัน <c oughs> ฮะสู้ตาย <c oughs> สู้กับอะไรอ่าสู้กับกิเลสนะอันนี้ก็จบหัวข้อที่สองซึ่งเขาพูดถึงความกังวลกัวายนะความกังวล งานะความกังวลต่างๆที่มันจะทําให้จิตเราเนี่ยเกิดอสุรกายเกิดตัวกลัวเพราะฉะเราจะต้องมีสํานึกนะในหน้าที่ในการงานแต่ว่าเราก็จะต้องนึกอยู่เสมอว่างานนอกทั้งหมดในโลกเนี่ยหรือแม้แต่ที่พุทธเจ้าท่านใช้ว่ามรรคองค์8เนี่ยใช่ไหมไปสังเกตดูนะมรรคองค์8เนี่ยจะมีงานนอกงานในอยู่ในมรรคองคปดคบทั้ง2 ส, ส่วน อา้าวตัวที่หนึ่งอะไรในวังองแปดสัมมาทิฏฐิอันนี้จะเป็นงานนอกงานไหนอา่าจะเป็นงานไหนเอาตัวที่สอง ส, สัมมาสังกปะอะไรอ่ะแปลก่อนที่อะไรอา่อาอ่าคิดดําริดําริอา่าเป็นงานอะไรอา่างานไหนดําริอะไร อ่าออกจากกามออกจากพยาบา ท, าบาทออกจากาากามพยาบาทอะไร น, าานั่นแหละออกจากความเบียดเบียนนะอันนี้เป็นความดตำรี่ใช่ไหมอ่าก็ยังเป็นตัวจิตอีกใช่ไหมเป็นงานในอีกเอาละตัวที่สาม ฮะสัมมาอะไรตัวที่สามอา้าวสัมมาวาจางานอะไรถ้าดูรูปมันก่อนเอาเ อ, าอย่าเพิ่งเอาลึกมากดูรูปนี่มันจะเห็นว่าเป็นงานนอกใช่ไหมเพราะว่างานนอกทั้งหมดเนี่มันต้องเกี่ยวเนื่องกับงานในทั้งนั้นแหละงานของจิตถูกไหมแต่ดูจากจากรูปมันเนี่ยภายนอกเนีราจะเห็นเลยว่าเออมันออกมาข้างนอกแล้วให้เราเห็นอา่าเป็นวาจาเป็นคําพูด เป็นภาษาอะไรต่างอ้าวข้อที่สี่สัมมารกรรมันตะการงานชอบเหรอมั้ยกรรมันตะอ่ า, อ า, อ า, ม, อา ม, ม, มีอะไรบ้างกรรมันต์มั้ยฮะฮะอย่ามั่วนะอย่ามั่วนะกรรมันตะมีอะไรบ้าง ไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักครับไม่วูบิดีในกล่าวนัลสีนสามข้อนะว่าอันนี้นอกหรือในอ่าเราจะเห็นชัดๆว่ามันนอกนะแต่บอกแล้วนะผลจริงๆมันต้องมาจากข้างในใช่เพราะจิตต้องเวีนใหญ่ต้องเป็นประธานอ่าเอาข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่ห้าสัมมาสัมม า, มาอาชีวะ อาอาชีพอาชีพที่ถูกตรงเป็นยังไงเนี่ยอาชีพอาเป็นงานนอกใช่ไหมเนี่ยทำอาชีพทำอะไรต่างก็แล้แต่อ้าวข้อที่หกสัมมาวายามะเป็นยังไงเปลี่ยนชอบเป็นยังไงอะเป็นงานนอกงานในฮะฮะ ลักษณะมันจะโดยเราดูโดยคร่าวๆเนี่ยจะเห็นว่าเป็นงานนอกใช่ไหมแต่ในขณะอันนีเน้เป็นงานนอกเนี่ยก็คือเราป้องกันอันนี้ก็คือส ม, มรภฐานสีนั่นเองนะในสัมมาวายามะเนี่ยก็คือกิเลสเก่าของเราเนี่ยนะสิ่งสิ่งต่างๆเนี่ยที่ภายนอกนี่แหละที่ มาทำให้ใจเราเนี่ยเป็นกิเลสสะสมไว้เนี่ยออมาใหม่ ม, ม, ม, มกิเลสใหม่ก่อนกิเลสใหม่ที่มันจะเข้ามาสะสมอยู่ในจิตเราไม่ว่าจะเป็นอะไรอะ่ะอาหารการกินหนังหมหัศสมอะไรต่างๆที่จะเป็นของใหม่เข้ามาเป็นกิเลสเราเนี่ยท่านบอกว่าให้ตัดออกไปก่อนให้ป้องกันไปก่อนอย่าให้มันเข้ามานะเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่าเอมค่อนข้างเป็นรูปนอกให้เห็น ส่วนข้อที่สองมันถึงจะเป็นกิเลสเก่าที่เรามีอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเราจะไปติดไปหลงวัตถุไปหลงอะไรก็แล้วแต่นะไอกิเลสเก่าเราเนี่ยเราพยายามกําจัดทิ้งไปนะแล้วก็สามารถประทานตัวที่สามมันก็ถึงจะเป็นของใหม่ที่ดีที่เป็นกุศลเนี่ยเราเอามาเพิ่มใส่ตนเราอีก แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือความดีที่มีอยู่เราจะต้องรักษาเอาไว้นะรักษาอาไว้ <c oughs> อันทุรัณาเอาไว้ <c oughs> เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสัมมาวายมะซึ่งดูแล้วจะเห็นว่าเป็นลักษณะของงานนอก <c oughs> อ่อาแล้วตัวที่ไหลแล้วเนี่ยตัวที่ตัวที่เจ็ดใช่ไหม <c oughs> ต่อไปอ๋อต่อไปตัวที่เจ็ดแล้วเหรออ้อาวสัมมาเลย สมาสติเป็นยังไงเป็นงานอะไรอ่ะ อ, ะอ่สตินี่มันจะให้เห็นลักษณะข้อใ น, นทางงานไหนอา้าวสุดท้ายสัมมาส ม, มาธิอา่ามันจะเป็นงานลักษณะเป็นงานไหนเพราะฉะนั้นจะให้เห็นได้ว่าในมังงออกเนี่ยมันจะครบหมดแหละมันถ้าใครทําแล้วเนี่ยจะได้ครบสมบูรณ์แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยบางทีเราทําอะไรต่ออะไรกันบางทีเนี่ยเรา มันเผอแล้ไม่ได้เดินด้วยมารองแปดอย่างที่เมื่อกี้เราไล่กันมาเพราะมันเผออยู่ด้วยมันมันจะไปเอาแต่งานนอกงานงานอกกันเนาะเพราะมันจะขาดตั้งแต่ตัวสัมมาทิฏฐิใช่ไหมขาดตัวที่สองสัมมาสังกัปปะใช่ไหม ท, ที่ที่เราบอกว่าในในทั้งหมดอ่ะเราจะเผอไอ้พวกตัวในในทั้งหมดจนกระทั่งอันไหนตัวไหนกนสัมมา สติสมาสมาธิใช่ไม่มนั่นแหละไปสังเกตดูเราจะเพลอขาดไอ้พวกที่มันจะเป็นงานในที่จะเป็นตัวในของจิตเราเนี่ยเรามักจะขาดตัวพวกนี้ไอ้ส่วนงานนอกเนี่ยเรามักจะพยายามทําขยันที่จะทำนะทาเก่งด้วยบางคนฮะเออนั่นแหละคือมันมีกิเลสซ้อนอยู่แล้วมันขาดขาดสติขาดสมาธิขาดแรงต่าง ว่าอันนี้เป็นเป็นแง่คิดที่จะฝากไว้นะในในข้อที่สองนี้ว่าเออถ้าเราพยายามให้มันครบให้มันสมบูรณ์ทั้งงานนอกงานใดเนี่ยเราเองเราก็จะทาให้โอกาสที่จะเกิดความกลัวความกระสรับกระส่ายความกระวนกระวายแรยงต่างเนี่ยมันลดลงเพราะเราเจียนกิเลสเราลดกิเลสเราได้เพราะเราคอยจับจิตเราอยู่เสมอไม่ว่าเราจะไปทำงานไหนเราจะเริ่มตั้งแต่ เราจะต้องคิดให้เป็นคิดให้ถูกต้องนะเริ่มก่อนเลยมีสัมมาทิฏฐินะแล้วก็เริ่มไล่ไปสิมีการรู้จักคิดนะดำริคิดรูด้จักคิด <c oughs> นะั่นแหละไล่ไปเรื่อยนะเจ็บไตข้อไปไปพิจารณาเอาต่อแล้วกันนาะเดี๋ยววันนี้ข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ Okay.